สบายความเคารพอย่างเมอกมการมการอาจารย์ยุกิแล้วก็เพื่อนจากธรรมิกที่เคารพทุกรูปจันทร์พรญาติโยมที่มาร่วมกันธรรมะเจนในวันนี้ขณะนะนี้ทุกท่านแล้วก็มาฝึกหัดศึกษา รับรู้เรียนรู้ของชุมชนเรื่องของศาสนาเรื่องของผู้สัตนาเพื่อให้ตัวเราก็คือตัวชีวิตที่วางเราเนะมันดำเนินต่อไปอย่างสะดวกแล้วก็ผาสุขเราก็รักสุขเียทุกกันด้วยกันทุกคน ตโลกนิ้มก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเี่มนเป็นเรื่องแบบโลกโลกามากระทบใจเรากายเราให้เราเกิดการวันไหวว่าเราไม่ทะลุทะลวงมีสติมีปัญญามีกำลังใจการปฏิบธรรมนั้นให้เกิดกำลังใจมันเป็นกำลังของพระเป็นพละทางจิต กำลังของสตินะในสำคัญสติจะเกิดได้ต้องนะกลับมาหาตัวเองถึงจะเป็นสติปัฏฐานถ้าเป็นสตนะิที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเดิมๆดิมเป็นเรื่องของสัสญชาตญาณมันเป็นสติสัญชาตญาณที่มันมีอยู่คนไม่ฝึกมันก็มีนะสัตว์ทีรชานก็ยังมีนะละท้ายสก็คือมีชีวิตไปตามกฎของกรรม กฎของการกระทํำทําดีทําชั่วเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนไปตามวัตถุกรรมคุณก็เรียกว่าจะมีสิ่งสโปรกที่ทําให้ใจิตใจของเราบรรเละเทอะเป็นมันทินเครื่องเศร้าหมองจนรู้สึกว่าเราอยู่ตัวเองนะได้ยากการที่เราจะอยู่คนเดียวกับตัวเองแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจว้าเวเบะแงา เปาเปี่ยวเดียวดายรู้สึกว่าเครียดนะแล้วมีความวิตกกังวลไปต่างๆนานาเนื่องจากเราไม่เคยรู้จักนรสนาของจิตนะที่มันเป็นจิตที่มีการปล่อยมีการวางมันรู้จักอารมณ์มันก็ปล่อยวางอารมณ์นะมันมีอยู่นะรู้ว่เห็นข้างนอกก็สักว่าเห็นอย่างเงี้ยได้ยินก็สักว่าได้ยินอย่างเงี้ยนะเราไม่เคยรู้จักสบายว่าทำแบบนี้น ถ้าถ้าใครได้รู้จักได้สัมผัสอาจจะเห็นว่าชีวิตนง่ายมันเป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มก้อนทีมจะพัดพลาให้เราไปรวมกลุ่มกันทํากฎของกรรมตามกฎของธรรมชาติมันมีอยู่บางทีมันก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จมทําดีต่อไปบางทีก็รวมกลุ่มกันที่จะพูดในเรื่องเดียวกันะประพฤติปฏิบัติในสิ่งเดียวกันนะ เรื่อการจำแนกดีไปหาดีไม่ดีก็ไปหาไม่ดีคนชอบเข้าวัดก็มาที่วัดคนชอบไปวิทย์ก็ไปที่วิตคนชอบไปห้างสรรสินค้าก็ไปห้างสินค้าแล้วก็สังเกตได้มัจะรวมกลุ่มกันแตรละจุดตรละจุดคนแต่ละคนก็จะไปรวมกลุ่มกันอย่างนี้อย่างที่นี้เรามารวมกลุ่มก็ด้วยความมั่น อ, อกมั่นใจว่าที่นี่ก็สอนไม่ผิดครูอาจารย์สอนไม่ผิด แต่จะผิดคือผิดที่เราปฏิบัติไม่ถูกเชื่ออย่างนั้นจริงๆทุกที่เขาก็สอนกันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราปฏิบัติมันก็ไม่ถูกมันก็เลยไม่หายสงสัยในเรื่องของชีวิตเราในเรื่องของกายจใจใจกายยังไงเวลามันแก่มันเจ็บเริ่มป่วยตายทุร น, น, น, น, นทุรายไหมบางทีร่างกายป่วยใจไม่ป่วยก็ได้อย่างเมื่อวานแอบไเยี่ยมหลวงพ่อตะลุง เราก็โลกแล้วผ่านการตายมาหลายครั้งแล้วก็โรคห ล, ลายๆที่มันลุมเล่าอยู่ในตัวโรคสารพัดโรค ก, ก็เรียกว่าชื่อว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยสมศักดิ์ศรีทีเดียวป่วยทั้งตีทั้งป่วยหนักๆแล้วป่วยทุกโรคเนี่ยจะได้ไม่เกิมไม่เขินเลยหน้าตาท่านผ่องใสอไปดูยังหาไม่เห็นเลยคนป่วยมอยู่ตรงไหนมองไปหน้าตาท่านก็สดชื่นว่าเราเองอันนี้ยเราจะเห็นได้ชัดๆเลย กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมันมีกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์น่มันมีมันมีตรงนั้นจริงๆทีนี้ทำยังไงมันถึงจะเกิดขึ้นมาก็คือให้มันแยกกันซะระหว่างเรื่องของกายอาการของกายกับอาการของจิตความรู้สึกตัวนะ่ะจะแบ่งแบ่งเขตให้เราถ้าเราไปยึดเอากายเป็นกูกูป่วยกูแก่แน่นอนลนะมันก็ทุรนทุราย มันก็พิตกังวลว่าจะเกิดอาการป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยป่วยสมบูรณ์แบบทั้งกายทั้งใจจิตใจแล้วว่าอุปท า, านอุปทานมันกินไปด้วยทั้งๆ ท, ที่มันแยกกันได้อยู่กายป่วยก็รู้สึกกายจิตใจป่วยเวลามันคิดมากคิดแล้วโกรธแล้วกุ้มกังวลหรือว่าโกรธหลงต่างๆกิดแล้วก็สุขกินแล้วก็ทุกข์อันนั้นก็เป็นอาการที่ผิดปกติของจิตไง มันก็โถกรู้เท่ารู้ทันบางทีมันก็เกิดอาการหึงหวงห่วงหาอาการหิหวโหยอาการเหี่ยวแห้งอาการงดกิดอย่างเงี้ยหึงหวงห่วงหาเช่นหึงมีของก็ของกูของกูก็หวงเอาไว้หึงหวงเอาไว้ผัวกูลูกกูรถกูบ้านกูที่ดินของกูทรัพย์สมบัติของกูเกษตรของกูสกุลของกูกงกน่ะ ของอีของกูตำแหน่งของกูอำนาจของกูต่างๆถ้ายสุดก็เป็นเรื่องของแบกโลกคนแบกโลกแบกทุกขห์หึห่วงห่วงหาสารพัรมีสิ่งไหนก็ห่วงสิ่งนั้นมันตัดไม่ขาดรักลูบห่วงผูกคอพ่อแม่ปอผูกแขนสมบัติแก้วแหวนนวลแหวนผูกขาห่วงการเรียนห่วงการเดินทางห่วงสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันจะแยกได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัว อาการคิดทิมเกิดขึ้นมาแล้วก็ลงก็ไปปรุงแต่งมันจะถูกรู้เท่ารู้ทันสติมันก็จะชํานาญความเป็นปกติมันจะเด่นขึ้นมาตรงนั้นมันเป็นสภาพธรรมที่เราสามารถจะพึ่งตัวเราเองได้เมื่อก่อนเรามีกายกายแก่แล้วก็พึ่งมันไม่ได้นั่งก็อวยลูกก็อวยมีจิตมีใจจะคิดให้ทํางานก็คิดไม่ออกคิดไม่ทะลุะเวลาคิดเนี่ยมันได้อยู่เราลงมือทำมันทำไม่เป็นะมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมา เราก็ทําอะไรก็เลยไม่สําเร็จสักอย่างหนึ่งไปตรงไหนก็ชิบยหายตรงนั้นะไปตรงไหนให้เกิดความไม่ดีตรงนั้ น, น ท, ที่จริงแล้วมันก็ดีอยู่กินอาหารอาหารก็ดีอยู่ท้องเราไม่ดีใส่กระพาะไม่ดีไม่หมองอาหารก็ต้องเลือก อ, อะไรมันก็ดีทั้งนั้นแต่เรามันมองกับเข้าไหมเราต้องกลับมาดูที่เรา ที่นี้เหมาะไหมที่เราจะอยู่เนี่ยนะเขารู้สึกตัวกันเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะเียมีที่เดินจังหวะมีที่นั่งจังหวะนั่งสร้างจาังหวะมันเหมาะกับเราไหมอยเงี้ยมันก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์อเงี้ยเราก็เลือกเอาพุทโธสัมมาหลังยบหนอปองหนอหรือว่ามากมายเหลือเกินที่มีอยู่อานามาติที่ส่วนโมกอาจารย์พุทธทาสอันนี้มันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะ เราก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหนางรูกาลเทศะรู้บุคคลรู้หลายๆอย่างนะอันนี้ก็คือแล้วนะของสติสมาธิปัญญาจนเกิดมงคลสาสิบปดนั่นแหละนะมาเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกตัวตรงนี้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้สองคนมีเศียก็คือไปไหนก็ไม่เกินไม่เกินหรอกรู้จักชัดเจนไปตรงไหนจะไปทําอะไรก็ไปวะเขาขอก็ถามให้เราตอบร้ว่าเราอยากพูดของเราเองอะไรเนะี่ มันจะมีอยู่ภายในก็มันเลยนะสติเองก็จะบอกเราคำกับเราไว้อย่างนะคนที่มีศีล น, นะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้อยู่ศีลคือปกตนะิแล้วก็มันก็จะมีชื่อเสียงกระจรกระจายไปเลยนะคนที่มีศีลนี่มันลอยทวนลมมันลอยทวนบาปทวนเวรทวนกรรมทวนสารพัด ท, ทวนนะั่นนะนะอันนี้ศีลมันเป็นความหอมชนิดหนึ่งนะคนที่มีศีลมีจิตใจที่ปกติจะหอมพอสมควน ไปไหนมีสเสน่ห์แน่นอนนะนนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนสาหรับธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์ไปสู่ฝ่ายที่ไม่เสื่อมมันจะเจริญวันจเจริญคืนอะไรประเภทนี้เหมือนคลองยิ่งตียิ่งดังคลองดียิ่งตียิ่งดังยิ่งด่ายิ่งรักมันเป็นประเภทนั้นเราเห็นอันนี้สองของมันคนที่มีศีลนะมันก็จะเป็นลหนัหษณะที่ไม่นี่มอนก็ว่าเดือดร้อนใจ ในภายหลังทําอะไรไปมันก็เฉยๆนะตรงนี้มันมีแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ทําเพราะว่าะเจตนาเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะอย่างเช่นเวลาเราปฏิบัติเรารู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆเราเจตนานะเกลื่อนมือสิบสี่จังหวะเนี่ยใหม่ๆเราเจตนาปริบมือตั้งรู้สึกยกมือไปรู้สึกพอทําไปทําไปไม่รู้ว่าเจตนาอยู่ตรงไห น, นมันจะมีแต่เออตัวรู้อ เลที่ไม่ต้องเจตนารู้มันก็จะเป็นความรู้สึกตัวนะเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเวลเนะ่นะจนกระทั่งเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวเนะี่ยมันจะเวียนไปไหลไปท่องไปในแดนของปัจจุบันกันนะเป็นแดนปกติธรรมเป็นแดนที่เหมาะแก่การงานนะเสียงสักวาเสียงตรงนี้มีแน่เพราะความรู้สึกตัวเนะี่ย มันเป็นธรรมที่เป็นกลางๆมันจะเกิดได้สภาวะรู้ซื่อๆเนะี่ยเด่นออกมาเพราะฉะนั้นเสียงน่ยศักทว่าเสียงเกิดขึ้นมาใจเราจะปกติรู้เราจะรู้ชัดว่าสิ่งนั้นเน่ยคืออะไรจะทะลุทะลวงได้เลยนะเป็นเสียงสมมุติที่เกิดจากภายนอกหรือเหตุปัจจัยที่เกิดจากภายนอกนะแล้วก็จิตของเราก็ไม่ได้ปิดตีความนะความหมายของการกระทบเหล่านั้นว่าเป็นสุขเป็นทุกมันก็เกิดมาจา่ายตัวที่เรากระทบมือนี่ยแหละ แล้วเราไม่ได้เห็นว่าการกระทบเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์พระธรรมชาติความรู้สึกน่ะบริสุทธิ์มันเป็นปกติอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทําให้ย้อนนึกถึงในสมัยพุทธกาลที่มีคนที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดในโลกที่เราก็รู้จักกันบางคนบางท่านสอบห น, นทางโทได้อ่านกันแน่นะแต่ญาติยมบางท่านก็ไม่รู้แล้วก็คือใครคนที่จะพูดต่อไป น, นี้ก็ชื่อพายิยะภารุจิริยะเป็นผู้ที่ เ okay, กากะทะทางด้านตัดจะรู้แล้วที่สุดในโลกเแผงแค่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยกล่าวว่าเออมันจะไม่มีเธอในโลกนี้ในโลกหน้าก็ในเมื่อเธออยู่ในโลกเนี่ยแล้วเกิดอาการสักตะว่าเกิดไหมเช่นเห็นสักตะว่าเห็นตากระทบเนีเห็นปกติมันเป็นบวกเป็นลบปกติเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ตอนนี้มันเห็นสักตะว่าเห็นเฉยๆได้นะ เห็นสักตะวาเห็นได้ยินสักตะวะได้ยินกลิ่นสักตะวะกลิ่นอารมณ์สักตะวันอารมณ์จะไม่มีเธอในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปยคํารพูดประโยคเนี่ยนะสักตะวะนะมันจะมีความหมายมากแต่เห็นสักตะวเห็นแสดงว่ากรรมฐานออกฤทธิ์ออกเดชแล้วมีคุณภาพออกมาแล้วให้เราได้เพึ่งเมื่อก่อนเห็นปั๊บพอใจไม่พอใจสวยไม่สวยรอไม่รอ ถูกชะตาไม่ถูกชะตาถูกชะโลกไม่ถูกชะโลกทำไปประเภทนั้นเลยตอนนี้มันเฉยเฉยเห็นแล้วก็เป็นวัตถุเป็นอาการเป็นปรมาทมันเห็นเฉยเฉยมันก็เกิดมาจากเนี่ยเรารู้สึกกระทบเฉยเฉยแต่ใหม่ๆเรากระทบไม่เฉยนะใหมกระทบแล้วมันเข้าไปในอาการหล่านั้นใหม่มันก็เผลอออกไปคิดปรุงแต่งความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมันก็ชวนให้เราหลงก็ไปในความคิดนี่ นะคิดแล้วก็พอใจคิดเราไม่พอใจที่เราเป็นสุขที่เราเป็นทุกขนะ์คิดเราเป็นสมมติบัญญัติตามทิศติตามความเห็นจริยนิสัยนะสกุลลุนแชิหรือว่าภูมิรู้ภูมิจิตภูมิธรรมต่างๆมันไปแบบนั้นแหละเป็นแปลกก็คิดแบบเปลกเป็นสัตว์เดือยฉานก็คิดแบบเดือยฉานเป็นสันนิลก็คิดแบบสันนิกเลยทันทีนะมาเรีบสรุปรีบตีความให้ตัวเองทุกข์ให้เบียดเบียนตัวเองให้เบียดเบียนผู้อื่น เป็นเทวดาก็มองแบบเป็นเทวดาพร้อมจะให้เขาอะไรก็อยากจะให้ให้ให้ให้เม่แต่ให้ให้โ ด, นะดยที่ไม่ต้องหวังผลต่างๆะจนกระทั่งมันเป็นพรหมขึ้นมามีเมตตาวินายเมตตาเวขาไม่หวังผลอะไรมันทั้งหมดใช้สุดให้ก็วางเฉยช่วยไม่ได้ก็วางเฉยอย่างเงี้ยะจิตมันก็สูงแบบนั้นเราก็ได้สัมผัสเมื่อจึงเป็นการสัมผัสใ น, ในชีวิตของเรา เมื่อเราลงมือปฏิบัติก็ต้องเห็นพบปูมิเราเนี่ยชัดเจนเหลือเกินเป็นสุขติภูมิเป็นทุกขติภูมิหรือว่าภูมเต็มไปแล้วด้วยดีมาเดินติดติดขัดขัดยังไงมาติดใจติดขวาติดบวกติดลบติดสุขติดทุกยังไงจากหยาบไปหาละเอียดมันก็เห็นพบปูมิที่เกิดในจิตของเราที่มันหลงเผลอไปในความคิดตลอดเวลาเวลาถ้ามันรู้เท่ารู้ทันมันก็ตัดทันที มรู้ตัดทันทีวันนี้นนมีบทสนทนากระยมท่านหนะึ่งก็ถือว่ากนา็นามาสนาในแง่ของการส่งอารมณ์กรรมฐานนะปฏิบัติไ ป, ปไปบอกเห็นความคิดมันมันมันขาดเหมันเห็นบ่อยนะตัวเนี้ยก็ตรงนั้นแหละคือจุดปฏิบัตินขณะที่เราดูกายเคลื่อนไหวะความคิดมันแลบออกมานะมันคืออารมณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจนะามรูปเนะมื่อสติมันรู้เท่ารู้ทันนะตรงนั้นนะเขาเรียกว่าปริเฉษ เป็นนามรูปไอเ้เฉดมันเห็นมันเป็นบัญญาชนิดหนึ่งระดับหนึ่งสมกระภูมิจิตภูมธรรมของเราะเมื่อเราดูกายมันต้องเห็นจิตที่มันเคลื่อนไหวคราว น, นี้ความคิดมันเป็นอาการของจิตเป็นเงาของจิตะทุกครั้งที่มันคิดถ้าไม่เผลอหลงเข้าไปก็ไม่ปรุงแต่งถ้ารู้เท่ารู้ทันก็ขาดาทันทีจุดนี้แหละที่ทําให้เราตัดกรรมนมันตัดกรรมตรงนี้แหละพฤติกรรมก็เราเคยคิดเคยพูดเคยทํามาในอดีต เราเคยทาคนอื่นคนคืนเคยทํากับเรานะบ่าเราอยู่กับปัจจุบันมันก็ตัดทันทนะีตรงนี้แหละมันมีอานิสงสนะ์การไปปฏิรมของเรามันพึ่งไดนะ้เราก็รู้ทุกครั้งที่มันรู้แล้วรู้ถูกนะจิตใจของเรามันก็ว่างโล่งโปร่งเบานะเราก็เห็นอย่างนั้นนะมันได้สัมผัสเนี่ยก็เป็นอานิสงส์คนที่มีศีลนะปกติมันก็นําสุขมาให้ปกติมันก็นํำปกทัพย์มาให้ปกติมัน น, ะนานะความเย็นมาให้นะ เมื่อเรารู้สึกตัวเป็นก็เย็นอกเย็นใจแล้วล่ะนะเย็นนอกเย็นในวัาเรากลางวันอากาศก็ยั ง, ง, งยี่บสามองศาอยู่มันก็ไม่ธรรมดาแล้วล่วนะก้างนอ ก, ก์กเย็นแต่บางคนทําไมปฏิบัติข้างในมันรุ่มร้อนดีเดอยนะอยู่อยู่ไม่มีสุขแล้วนะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะสุขสนดีเดียวนะจะหาเรื่องมาทําแบบแปลกๆมากมายแล้วกันนะเราก็เลยต้องเรียกว่ารวมมือกันช่วยกัน อย่างาเช้าหลวงพ่อเกษตรถึงเรื่องว่าการขุดนะขุดกันไว้ไม่ยอมกลบนะไม่ยอมเสร็จทักทีงานอะไรเเนี่ยพวกนี้ฟังแล้วเงี่ยหูฟังแล้วน้อมมาปฏิบัติทันทีทําอะไรอย่าทำแบบเออละเหยทิ้งทิ้ ง, งว่างกว่างนะไม่ใช่คนมีสตินะถ้าคนมีสติมันทํามันรู้เลยว่าจบยังไงจบเป็นแล้วก็ทันกวันทุกปับ๊บดับทันทีปัหาปรับแก้ทันที น, า บ, ทนทบางทีก็ลองปัญหาเขาสร้างก็ลองให้เขาแก้ดูปลูกเองก็แก้เอาเองดูอย่างเงี้ย มันก็คล้ายๆก็ให้เป็นประสบการณ์สอนตนเพาถือว่าครูที่ดีที่สุดทุกคนต้องสอนตัวเองยิ่งสอนด้วยการผ่านกรรมฐ า, านเนะี่นบอกทัทนทะียกมือได้ไหมเดินจงกรมได้ไมมันบอกอยู่แล้วล่ะยกลัง่วงเป็นยังไงล่ะมันจะยกมือขึ้นไหมหนักนไปทําอะไรทําได้ถต่ยกมือมยกไม่ขึ้นดียวเดียมันบอกอะไรอยู่อะครูบาอาจารย์มันก็รู้อยู่แต่บางทีมันก็เขียนโคกขึ้นเขาไปบัดทําก็ต้องให้กรรมมันจําแนกไปะอย่างเนี้ยนะ มันก็มีวาเวลาของมันนะเพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานเนี้ยนะอันนี้ก็คือหัวใจเลยของการอยู่วัดอยู่ว่าอยู่วัดเราก็ต้องวัดใจของเรานิดหนึ่งนะวัดด้วยกรรมฐานนะแต่ถ้าขาดสิ่งไหนไปหาสิ่งนั้นเติมก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าชีวิตต้ตองการบา ร, รมีเนะมื่อต้องการบา ร, รมีมันก็ต้องมีการทําทานทาไม่มีวัต ถ, ถ, ถุจะให้ทานได้ยังไงก็ต้องไปหาวัตถุ ก, ก่อน ต้องหาเงินหาทองไปซื้อหน่อยจะหาเงินหาทองต้องมีอาชีพหน่อยแต่ของเราอยู่วัตถุวามันเป็นอาชีพ ศ, ศิกขาและธรรมเป็นเครื่องเรชีวิตอย่างนี้นะสิกขาและธรรมคืออะไรเงี้ยศึกษาหรือศึกษาศึกษาเอาสิกขาศึกษาเอาสิกขาคือไตรศิกขาของศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือความเป็นปกติสมาธิาคือความตั้งมัน่นก็เนี้เราเคลื่อนไหวรู้สึกก็ตั้งมั่นกับการปฏิบัติกรรมฐานนะ ปัญญาคือรู้รอบของสังขารรู้นะโลกและโลกธรรมโลกโลกียะและโลกโลกุตละจนกระทั่งมันแตกฉานกันมาตามรอยทางที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินนะนะอารมณ์กรรมฐานนะําจะบอกเรานะพัฒ น, นาการจะบอกเรานะจนขว่าจะเห็นวัตถุอาการประมัตนะเห็นรูปเห็นนามนะจนกว่าจะเห็นเราหนังขันหนะ้างอย่างนะี้จนขว่าจะเห็นตัวสติสินสมาธิปัญญากลไกการทํางานของมัน เวลามาทำงานมาทำงานอย่างไงมันเด่นอย่างไรงนะต้องมาเจอพบนะพบอย่างไรงนะเป็นพบชาติชราเมรณะอย่างไยงนะมันจะเห็นจริงๆในตัวเรานะจนกระทั้งเห็นเราก็ต้องเห็นเขานะเห็นตัวเองแล้วเห็นผู้อื่นนะฝึกทิ่งใดฝึกนะจนกระทั่งมันเหมือนกับรู้ชัดนะสิ่งนั้นก็เป็นความชันนานแตกฉานเฉพาะบุคคลขึ้นมาเป็นญาณเป็นวิชญญาณนะรู้นะรนะนาสิ่งที่เราทําอย่างชัดเจนอย่างนะี้ เรียกว่ารู้สิ่งใดรู้ยิ่งแต่สิ่งเดียวฝึกให้เยี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนตัวเนี้คือความรู้สึกตัวที่เราทำอย่างต่อเนื่องจนทั้งความรู้สึกตัวมันได้คําตอบรู้สึกตัวจนทั้งรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าคิดรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินรู้สึกว่ากระทบสัมผัสอยู่สักตะว่าสักตะว่าสักตะว่ามันก็จึงเป็นเรื่องนที่เราจะต้องเรียกว่าชวนกันน เจอหน้ากันก็ชวนกันละเข้าฐานปฏิบัติหรือว่าชวนกันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวพูดสิ่งใดก็พูดไปเพื่อให้เกิดเวลาคะไม่ต้องสะสมพูดสิ่งใดก็พูดให้เข้ามามีความสงบระงับให้มีสงบไม่เอะอะเลอะเฮาหัวเราะกันจนอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็ต้องสังเกตถ้าเฉยๆล้วหัวเลาะผิดปกติกลับมารู้สึกตัวอันนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกเรียกว่า ไม่มีอะไรเสียหายนะปฏิบัติทำเจออะไรก็เรียกว่าเป็นครูทั้งหมดได้สบายๆไปเลยนะรู้จักบนรู้จักแบบรู้จักทิศทางเดินจิตใจของเราเป็นกุศล ข, ขึ้นมามีความฉลาดขึ้นมาเตือนรู้ขึ้นมาตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ชาตินี้เราต้องไฟฟ้ามานะเป็นเรื่องที่มันมีอยู่กับตัวเราแต่ว่าบังเอิญความคิดนะอารมณ์ หรือว่าวิบากกรรมในวดีตของเรานะที่ทํามาจนทั่งติดเป็นจริตนิสัยมันบังเอาไว้เราก็เอาออกไปก็แล้วกันโดยการรู้เท่ารู้ทันไม่สมควรคิดก็ไม่คิดไม่สมควรพูดก็ไม่พูดไม่สมควรทําก็ไม่ทําะก็เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมตรงนี้แหละจะทําให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นหน้าของวิสุทธิศีลเกิดขึ้นมาเป็นความอุบัติ ที่เกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ไปในใจของเราที่เราก็จะต้องรู้ตัวเราเอาเองตรงนี้นะมันมีระนาของโอปปาติกะนะพุดเกิดขึ้นมาสัมภเวสีนะจราพุทธะนะอันทชะหรือว่านะสังเสตชะโอปปาติกะการเกิดมันมีสแบบแต่การเกิดระนาของวิมุตติหลุดพ้นมันเกิดระนาของการผุดเกิดในจิตจริงๆเราก็จะรู้ตําแหน่งของเราว่าความบริสุทธิชนิดนี้ มันเป็นลักษณะของวิสุทธิศีสอย่างไรเป็นอุบัติเทพอย่างไรนะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานะมันก็เลยเป็นเรื่องของขันธ์สี่ขันธนะ์ที่กําลังปนะระชมกันหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นบุญเป็นบาปนะเป็นกุศลเป็นอกุศลไอขันธ์ขันเดียวคือความคิดนะท่องเที่ยวเก่งนะท่องเที่ยวจะไปทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่นะกับจริตนะิสัยทิฏฐิ ที่เป็นของเดิมๆแต่ทิมติดตัวมานอนเนื่องอยู่ในกำมือนสันดานของเราทุกคํำที่กลับมาสู่ปัจจุบันขณะผิดมือรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวหรือว่ามีสติดูกายมีสติดูจิตจนกระทั่งมีสติเห็นสตินั่นก็จะได้คาตอบหายสงสัยเรื่องของกรรมฐานทีเดียวตรงนี้แหละพระเจ้าตัดไว้ว่านถ้าใครก็ตามรู้สึกตัวจรัสติเจ็ดวันเจ็ดเือนเจ็ดปี มันก็มีผลหลวงปู่เทียนก็พูดได้ชัดว่าเออหนึ่งวันถึงสามเดือนหรือว่าหนึ่งปีอย่างกลางอย่างช้าสามปีมันก็น่าสนใจทีเดียวเป็นตัวเลขที่เรานะทำกันได้อยู่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำกันได้เราก็จึงตั้งหน้าตั้งตาละมีความเพียนลงไปมีการกระทำลงไปจริงๆเรียกว่ากรรมฐานเนะคลื่อนมือรู้สึกตัวเดินชมรมรู้สึกตัวทำอะไรก็ตามพิกใจแรงกว่า อาบน้ำ ห, หาถ้ารู้สึกตัวจะนอนก็รู้สึกตั ว, จ ะ, นนตวจะมีคําพูดนะที่บอกถึงนะผู้ที่ฝึกสติเจริญสติชัดเจนแล้วเกินนะผู้มีสติการเดินก็นเรียกว่าเดินจงกรมอย่างนี้นะมีสติการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือแล้วกว่าขูดเหยียดเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวใจรู้อย่างนี้นะเป็นหน้าของสัมผัสปัปพระมีชื่อตรงๆเลยการฉันให้รู้สึกตัวก็คือการรับประทานอาหารอย่างมีสติ อาบน้ำยังมีสติเขาเรียกว่าสรงน้ำอย่างงี้นนะมันก็เรียกว่าปฏิบัติกันได้ทั้งวันแม้กระทั่งเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้นอนหลับกันก็กำลังได้เรียกว่าไปนอนหลับก็เรียกวไปจําวัดอย่างงี้ก็คือหลับอย่างมีสตินะเมันจะเกิดนะลักษณะของจิตที่มันบริสุทธิ์ขึ้นมาทุกๆขณะนอกจากที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็คืออนาะการนอนหลับแล้วก็ฝันไปเราไม่ได้เจตนาจะฝันแต่มันเป็นร่องรอยที่พื้นของจิต มันเคยสกปกมานะมันเลือดขาวเลือดํามันก็แสดงออกมาในข้าวของรูปรอยความฝันเนี่ยอนั้นก็จ้างมันจนควาสติมันจะไปแทนของมันเมื่อไหร่อ่ะเขาไม่ว่ากันมันเอาไปกินจนอิ่มจนทั้งฝันจะเสร็จแล้วไปรู้ทันอ่อนตัวลงมาจนถ้าเรารู้ได้เออมันความฝันเนี่ยนะไม่ใช่ความจริงนะความจริงเรารู้อยู่แสดงเออมันก็ได้สติสัมปัญญากลับคืนมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับชีวิตของเรา ที่เรามาอยู่ในสถาบันสถาบันสติปัฏฐานมาอยู่ในนะเรียกว่ารั้วรอบกอดจิตนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีการฝึกมีการยามิตรนะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีความปลอดภัยในตัวสูงอยู่แล้วเนื่องจากเรามีรนะนาะของความลึกตัวเป็นเพื่อนนะอาเซวานาจะพาเรานังกันไม่ครบพลผ่านมาสักครูวนะเราไม่ครบอยู่แล้วไอ้ตัวหลงะตัวคิดเนี่ยนะ ปัญญานันจะเสวนาเราควบกับตัวรู้อยู่แล้วตัวรู้ก็คือตัวเราเองอันนี้นเป็นตัวศาสนาเลยทีเดียวเป็นตัวของพระศาสนาเลยทีเดียวความรู้สึกตัวเป็นตัวปัญญาเมารู้รู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมารู้รู้ถูกนะพาไปสู่ความจริงของชีวิตเราก็คือเป็นร่องรอยขอยงการเบื่อหน่ายคลายจางชีวิตแบบสุขสุทุกทุกแบบโลกใบนี้ จะไม่สุขก็ไม่ได้มันอยู่ในโลกของโลกิยะจะไม่ทุกข์ก็ไม่ได้มันอยู่ในโลกของโลกิยะแต่ทุกครั้งที่เรามีความรู world, ส es, ส้สึกตัวจิตของเรามันก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นมาสู่โลกของโลกุตละธรรมนั่นนะมันก็จะเห็นแล้วก็จนกระทั่งเลือกได้ในพื้นที่มันแตกต่างมันแตกต่างไงคือความไม่ปกติความปกติมันก็จะเลือกตรงนั้นนะใครจะเลือกของความไม่ปกติมันก็จะ กลายเป็นเรื่องของความเสื่อมไหลไปสู่ความเสื่อมเก่าๆอันนี้แหละมันจะไม่เกิดการบวชแล้วก็ศึกการบวชมันร้อนการสึกมันเย็นก็คือมันจะลดฐานและชั่วทําดีชําระจิตชําระจิตไม่ได้จะลดฐานไปทําดีฐานดไีไม่ได้ก็จะไปทําชั่วเขาจะไปหาความสุขจนที่เราคิดว่าเราอยากจะเติมให้เต็มในชีวิตของเราเพลาเรียนผิดก็จะเรียนละ และท้ายสุดเมื่อผิดเป็นโทษมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมันจะเข็ดลาบขึ้นไหมเมื่อยกจิตมาทําดีอย่านี้ดีตรงไหนจะไปทําอีกนะตรงไหนเห็นว่าไม่ดีจะไปทําอีกทั้งต่อหน้าแล้วรับหลังะทั้งนก็ให้ทําทั้งทําเอ ง, ท, ง, ท, งทั้งเห็นว่าเ อ, อตรงนี้คนอื่นทำํำเขาก็ไม่ทาท่านจะทำํำเขาก็ขัดแย้งบางทีมันก็ต้องแอบทําเหมือนกัน ก็แลว้วปิดทองหลังพระไม่ต้องรู้กันแล้วกันว่าห้องน้ําเต็มแล้วใครไปทำํำคนที่เข้าห้องน้ําขี่ไม่ลาดะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครไปลาดให้กันแล้วกันอย่างงี้ยบางทีก็ต้องเป็นอย่างนั้นปิดทองหลังพระเฉยๆไปหรือบางทีก็แอบไปบอกกันนะว่าเออเนี่ยความรู้สึกตัวทำเป็นอย่างเงี้ยนะจะมัวไปหลับไปนอนอยู่ทําไมบางทีเราก็เตือนกันแอบๆทำอย่างเงี้ยอันนี้เราบรรยากาศของกัรยานมิติดเดียวน นะก็เรียกว่าทําดีให้ถึงพร้อมนะไทเสือคือชำระจิตนะคือมีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็คงจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็รอได้คอยได้กันต่อไปนะอันนี้เราเป็นสังคมเป็นชุมชนนะทีนะ่เป็นลนากษณะของชุมชนที่จะพากันไปสู่ความไม่เสื่อนะจนทั้งเวลาไปไหนก็ตามนะ ผมเล่า ม, มาเวลาไปไหนไหหนกลับมาที่ไหนะจะมีความรู้สึกอบอุ่นเห็นหน้าตาก็ไม่ออกนะที่ผ่องใสตั้งใจไว้ตามกันเห็นพระนะทุกรูปนะที่ท่านพยายามตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาต น, นและช่วยทำดีชำระจิตตรงนั้นนะเห็นแล้วอบอุ่ น, นยังเห็นอาจารย์โยเกะกลับมาพี่ใหญ่กลับมาจากญี่ปุ่ น, นะรู้สึกมันมันอบอุ่นเพรเห็นกันมาตั้งแต่มาบวชที่แรกล้วเข้าปีที่สิบี่ไว้เนี่ย ก็เป็นรูปเดียวที่อยู่ร่วมกันเนีหยคู่กันตลอดนะลวเวลาท่านไปดีกันนะึกว่าท่านคงจะไปทำํำดีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปทําดีอยู่นะบอกคนญี่ปุ่นที่ท่านเคยพูดว่าค่าตัวตายไีละสามหมื่นห้าพันคนนะซึ่งทุกข์มากนะเป็นเมืองเป็นประเทศที่เป็นวัตถุนิยมที่เราตามล่าหลังกอนมากเรื่องเทคโนโลยีย่เีนะแต่ว่าเรื่องของปกติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีน พอเราเห็นท่านไปเห็นพี่ใหญ่ของเไปญี่ปุ่นแล้ ว, วอนุโมทนาคนในโลกนี้อีกหลายคนจะต้องได้รับประโยชน์แน่นอนนะเพราะะฉนั้นตอนนี้ครู อ, อาจารย์ของวัดป่าโตเกิดขึ้นมามากมายอาจารย์นัดไปเมืองจีนอย่างเง้ย น, นะตอนนี้ประเทศจีนะคนจีนมาอยู่ในเฉพาะวัดป่าโตอย่างน้อยสิบคนละปฏิบัตทิทางอย่างจริงจังเลยเมื่อวานทราบว่ามีการเทศกันทีลาหิดโก้งน สามภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยโอ้เนี่ยมันเป็นสถานที่แบบไหนกันในวัดป่าสุกทตูเพราะนั้นเราปลอดภัยที่เดียวอยู่ที่นี่อย่างน้อยๆก็ไม่อดตายละนะแต่ที่สำัญที่สุดก็คือเราก็ใช้ประโยชน์จากวัดป่าสุกุตูให้ต่อยอดเมื่อเรามีบนแล้วก็ต่อบนเป็นกุศลต่อไปะให้จิตมีความฉลาดไม่คาดเคลื่อนในหลักของศาสนาพุทธจริงๆ ในเพราะหลักของใจเราที่เราจะต้องพึ่งใจเราเองให้ได้นะก็คือมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยอันนี้แหละเราเห็นประโยชน์จริงๆริงเราต่อไปในภายภาคหน่นะมันก็คงจะตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมีที่พึ่งนะเพราะฉนั้นก็ขอให้เรานะที่มาร่วมกันนะทำวัดในวันนี้นะฟังเทศฟังธรรมในวันนีนะ้ก็ขอให้ความเป็วันดีของเราทั้งหลายนะนะั่นหรือว่าเราที่นะ ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติตามกันเจริญสติการตั้งวันนะก็ขอให้นะการปฏจทัธรรมของเราทั้งหลายนั่นก็ส่งพาไปนะหรือว่าสติปัญญามันนำไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วนาการทุก่ันทุกคนนั่งเธอ